เมื่อเทวดาเต่ามาเจอกับเทพประดุกโดยบรรณศาลาครั้งหนึ่งนานมาแล้วเทวดาเต่าได้ขึ้นไปบนบกเพื่อท่องเที่ยวเมื่อกลับลงไปในน้ำก็ได้ไปเล่าถึงความสนุกสนานที่พบบนบกให้เทพประดุกฟังเทพประดุกฟังตนเดียวไม่พอก็ไปชวนบริวารทั้งหลายมาฟังด้วยเทวดาเตาก็เล่าให้ฟังว่า บนบกสบายเพียงใดมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มีความอบอุ่นจากแสงแดดและมีที่ให้พักผ่อนได้อย่างมากมายเทพประดุกฟังด้วยความสนใจและอยากเห็นบกจึงถามเทวดาเต่าว่าบนบกมีคลื่นมากไหมเทพประดุกถามจะมีคลื่นได้ยังไงก็มันเป็นบนบกเทวดาเต่าตอบบนบกเนะี่ยลึกแค่ไหนเทพประดุกถาม มันจะลึกได้ยังไงก็มันเป็นบนบกเทวดาเต่าตอบบนบกมีโคลนตมมากไหมเทพประดุกถามมันจะมีโคลนตมได้อย่างไรก็มันเป็นบนบกเทวดาเต่า ต, อ, ตอบจิตมนุษย์ปุตุชนที่เดาเรื่องมรรคผลนิพพานก็ไม่ต่างอะไรไปจากเทพประดุกการอยากรู้เรื่องนิพพานก็เหมือนกับบทสนทนาข้างต้นนี้ มักผลนิพพานเป็นปัจจัตตังคือรู้เห็นได้เฉพาะตนโดยแท้ผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงผู้นั้นเห็นได้เองรับรู้ได้เองแจ่มแจ้งเองหมดสิ้นสงสัยในพระศาสนาของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงมาถึงบรรทัดนี้ทำให้นึกถึงกรอนบทหนึ่งที่ว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมอง เห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่ปล่าวรายท้ายสุดของบทความนี้ขอบอกว่าเทวดาเต่ากับเทพปละดุกในเรื่องนี้เป็นคนละท่านกับเทวดาเต่าของท่านเจ้าประคุณและปลาดุกหัวโตที่พระนครศรีอยุธยาแต่ทั้งสีท่านนี้ไม่แน่สักวัน อาจจะได้มีโอกาสพบกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเอกภพหลงชื่อบรณสาลา17กุมภาพันธุ์พุทธศักราช2551ห้าหนึ่ง